โอ้ถ้าล้างได้มากกว่านี้มันยิ่งสบายกว่านี้มันก็ยิ่งจะมีศรัทธานี่นี่จะเป็นศรัทธาของแท้มันจะยิ่งเชื่อมัน่นนะเชื่อมั่นเลยว่าโอ้โหเรายิ่งยิ่งทำได้มากกว่านี้นะยิ่งชัดเจกนกว่านี้แล้วไอ้ไอ้ไอ้ที่เราเก็บก็บหมกัมกๆ ม, มัม ม, ม, มเน่าเๆอยู่ในจิตเรานี่โอ้โหยิ่งออกไปใหญ่เลยเราจะยิ่งสบายเหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสุกขกวนี้ยังมีอีก สุขกว่านี้ยังมีอีกนั่นแล้วไม่ไปหลงอ่ะไม่ไปหลงเร้อเธออะไรละอาประเด็นนี้ผู้ที่ฟังในแง่ของเนี่ยเรื่องของอย่าไปหลงให้พวกอุปทานพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะ่าศึกษาให้จริงๆนะ้ยุคหลังๆมานี่นี่พระสายสายพวกเนี้ยสายพวกอิทธิฤทธิอิทธิเดชสายพวกอะไรต่างๆนี่ ชักจะไม่เหลือแล้วพอหลังๆมานี่ก็เหลือแต่สายมรคองแปดที่ใช่ไหมมาทําการงานแล้วก็จับจิตดูใจนะเอาแต่ไอ้พวกกิเลสพวกนี้ให้มันลดลงลดลงลดลงทุกวันนี้ไอ้เรื่องพวกอย่างนี้พ่อท่านก็แทบจะไม่พูดถึงไม่อะไรแล้วนานๆทีก็ถึงจะหลุดมานนี่หลุดมาหน่อยแต่ส่วนใหญ่นี่แทบไม่มีเลยไม่งั้นสมัยก่อนเรื่องพวกนี้มีอยู่เรื่อย อันนั้นก็เป็นสำนวนที่เขาก็พูดไงให้คนรู้ว่าสวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนก็ไม่ได้อยู่นั่นแหละก็พูดถูกแล้วอะ่ะแต่คนเราเนี่ยมันมันก็จะฟังอะ่ะแต่มัน ก, ก, ก็แค่ได้ฟังมันมันไม่เข้าเข้าถึงความเป็นจริงอะ่ะบางทีพอถึงเวลาเนั่นก็เอาสวรรค์อยู่บนฟ้าทุกทีนรกก็อยู่ใต้ดินทุกทีเลยมันไม่ใช่เพราะอยู่ที่จิตของเราอ่ จริงจนรกเนี่ยผู้เจ้ตาก็ตัดไว้ยืนยันไม่ชัดเจนนายพระตายปิฎกก็ยืนยันว่านรกก็คือความเร่าร้อนใจท่านก็ยืนยันเอาไว้นรกคือความเร่าร้อนใจให้เปิดพระตายปิฎกก็ได้แต่คนก็ไม่อะไม่อะไม่ใช่เร่าร้อนเพราะไอ้อะไรนะไปอยู่ในกระทะทองแดงไปโดนโอ้โหเหล็กเผาไฟล้อมเอาไว้มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอก อันนั้นมันเป็นสมมุติที่แม้พระเจ้าท่านก็ก็เล่าเป็นสมมุติให้ฟังเหมือนกันแต่ท่านก็บอกว่านี่คือสมมุติไม่ใช่สภาวะจริงๆแบบนั้นแต่มันเป็นสภาวะของจิตใจคนเราพยายามเข้าใจตรงนี้ให้ให้ถูกต้องแหละคุณจะไม่ไปหลงไปโมหะมาอย่างนั้นแล้วมันจะเพี้ยนไปเรื่อยๆถ้าใครไม่ไม่ชัดเจน วันนี้หนังสือไอ้พวกพวกนี้ขายดีเห็นไหยล่ะหนังสือพวกอิติเดชอิติลิตหนังสืออะไรของขลังอะไรต่ออะไรขายดิบขายดีคนงมงายเรื่องพวกนี้เยอะคือคือคือไปเข้าใจนโลนกสวรรค์นโกสวรรค์แบบนั้นน่มันมันปิดที่ปิดทางกูอลองไปดูเหอะบางทีเนี่ยในพระสูตรอะไรบางพระสูตรพระเจ้าก็พูดมาชัดๆเลย บอกไอ้อย่างนั้นมันไม่ใช่มันไม่มีแม้แต่ผีเนี่ยผู้เจ้าก็ยังมีบอกเลยในกิริมาโนทสูตรก็ยังพูดเลยบอกไม่มีหรอกไอ้ใครจะไปเห็นผีแบบนั้นท่านบอกมีแต่พระอาหารหันต์เท่านั้นเพราะว่าพร ะ, พระอาหารหันต์ท่านรู้ความเป็นจริงไงว่ามันเป็นยังไงนะหรือว่าอย่างในพระไตปิฎกเนี่ยมันก็มีบางบทสูตรผู้เจ้าบอกว่าเห็นวิญญาณอย่างนั้นอย่างนี้ นะพระโมกขาราณะก็บอกอย่างงั้นอย่างนี้ผู้เจ้าท่านก็บางทีบอกเนี่ยแหละไอ้วิญญาณแบบเนี้ยเนี่ยมารับเวรรับกรรมก็เพราะว่าเคยไปทําบิบากกรรมเก่าที่นั่นที่นี่มาเลยต้องมาโดนอย่างงี้อะไรนั่นแหละก็ต้องยกไว้ให้ระดับพระพุทธเจ้าระดับพระอรหันต์ที่ท่านจะเห็นแล้วท่านก็จะพูดให้ฟังแต่ไม่ใช่เป็นอย่าง ตัวตนไอ้ที่ที่เขาไปเข้าใจอีกอย่างหนึ่งละซึ่งมันจะมันจะเป็นคนละเรื่องเลยจะไม่ใช่อย่างที่พระเจ้าท่านตรัสแล้วก็ก็เลยชอบจะเอาเอาหลักฐานแบบเนี้ยแบบที่เขาเข้าใจผิดอย่างเงี้ยเอามายืนยันว่าเนี่ยผีมันมีอย่างนี้อย่างนี้โอ้ตนนั้นที่เอาคำว่าเปรตอย่างเงี้ยเปรตก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปมีรูปร่างอย่างที่บอกอะไรนะ สูงเท่าลาตาลทองเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มอะไรอีกอะโถ่เอ้ยมีไหนเคยใครเคยเห็นเนามันไม่มีหรอกไม่มีในโลกนี้ใครเคยเห็นไม่มีบอกแล้วนะถ้าถ้ า, ถ, าถ้าไม่มิจฉาทิฏฐินะถ้ามิจฉาทิฏฐิมันเห็นจริงอะถ้ามิจฉาทิฏฐิแล้วก็เห็นแต่ถ้าสัมมาทิฏฐิไ ม, ม่เห็นอย่างนั้นหรอกว่าเรื่องพวกนี้นะหลายสิ่งหลายอย่างในโลกเนี่ย ขนาดคราวนี้ฟังให้ทันนะต่อให้คุณเห็นเห็นเนี่ยเห็นตัวตนบุคคลอย่างเงี้ยบางทีที่เห็นเห็นเนี่ยยังไม่จริงเลยคุณดูเอาที่ของเห็นเห็นเนี่ยยังไม่จริงเลยไม่ต้องไปพูดถึงไอ้ของที่มันไม่มีนะแต่ไปเห็นมันว่ามันมันมีแล้วก็เห็นว่ามันจริงโอ้โหอันั้นยิ่งยากใช่ไหมแต่ขนาดเนี่ยให้เห็นเห็นของจริงนี่แหละแล้วเราบอกว่าเนี่ยมันไม่จริง อันนี้มันไม่ถูกหรอกนะอย่าไปหลงมันอย่าไปเมามันเลยไ อ, ไอสิ่งเหล่านี้เห็นเห็นอยู่อย่างนี้แหละว่าเนี่มันจะทำให้เป็นทุกข์นะ <c oughs> <c oughs> เห็น เ, เห็นเลยเห็นเห็นอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังว่ามันเป็นสุขอะ่ะโอ้โหเขาก็ยังยินดีพอใจยังเสพอยู่เลยทั้งทั้งที่มีตัวตนบุคคลของจริงเลยเป็นรูปเป็นร่างจริงๆให้คุณเห็นๆนะแต่พทธเจ้าท่านบอกอย่างเงี้ยเป็นทุกข์นะ แต่เขาว่าเป็นสุขอะโอ้ได้กินสุบดื่มเสพได้อะไรตามใจชอบนะได้เต็มที่ตัวเอง เ, ออเขาว่าเป็นสุขแต่ผู้เจ้าบอกเป็นทุกข์นะกินหลายมื้อเนี่ยโอโ้กินอะไรตามที่ชอบชอบจะกินอย่างเดียวเลยอะนั่นแหละเป็นทุกข์แต่เขาก็ยืนยันว่าเป็นสุขมีเงินทองมากมายนะโอ้โยิ่งมีมากคือยิ่งดียิ่งเป็นสุข ก็เห็นยอดชัดอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นทุกข์ขนาดอย่างเงี้ยยังเห็นยากเลยใช่ไหมบอกว่าโอ้โหมันมันต้องไอ้นั้นจริงๆเลยเพราะบางทีเนี่ยไอ้เรื่องที่บางครั้งบางอย่างเรื่องที่มันไม่มีตัวตนมันมันมันพูดให้คนเข้าใจยากเนี่ยบางทีผู้เจ้าถึงจะตัดทิ้งเลยบอกไม่ต้องมาพูดดีกว่าไม่ต้องมาอธิบายเหมือนกับบางคนชอบมาถามว่าตายแล้วจะไปไหน จะไปเกิดเป็นอะไรบางทีผู้เจ้าท่านก็นตัดรอบเลยเราไม่พูดแล้ะ <c oughs> เราไม่เราไม่อธิบายอ่ะเพราะว่าตายไปแล้วก็ไอ้คนคนตายแล้วมันก็ไม่จะกลับมาบอกเ <c oughs> นะีไอ้คนที่ตายแล้วมันก็ไม่จะกลับมาบอกได้อีกอส่วนไอ้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ตายอีกมันก็เลยยังไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหนเ <c oughs> <c oughs> นี่ยในที่สุดบางทีท่านก็นตัดรอบเลยท่านไม่พูดไม่อธิบาย แต่แต่ไม่ทั้งหมดนะเพราะว่าบางทีผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็เข้าใจได้ท่านก็บอกว่าเออคนนี้นี่ตายแล้วจะไปเกิดไปนั่นจะเกิดไปนี่จะไปไหนท่านก็พูดท่านก็ตัดเอาไว้พรามันมันสาคัญอยู่ที่ว่าเราพูดอยู่กับใครคนที่สัมมาทิฏฐิมากพอไหมถ้าไม่สัมมาทิฏฐิมากพออย่าไปพูดเสีย เ, เวลาเสียเวลาเผลอเผอทะเลาะกันด้วย นะเพรา ะ, ะนั้นบางทีนี่อย่าไปเถียงเลยถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยโอ้โหเขาไม่เข้าใจแล้อย่าไปเสียเวลาต้องให้เวลาเขากว่ากว่าที่เขาจะรู้ได้ชัดเจนรู้ความจริงได้มากกว่านี้ค่อยคอย่คอยพูดให้เขาฟังวันบางทีนี่เห็นพวกเราบางคนโอ้โหพยายามอธิบายให้บางคนจังเลยก็ดีนะมีความเพียรมีความขยันดีแต่บางทีมันต้องดูเขายังยังฝึกฝนหรือว่า ยังอบรมมาไม่มากพอบางทีคุณไปอธิบายไอ้ที่มันยากๆอะ่ะอธิบายสูงๆเกินไปเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกเขไม่เข้าใจว่ามันต้องอธิบายไอ้ที่มันมันเหมาะกับเขาที่เขาจะรับได้เพราะบางทีไม่ต้องไปพูดล็อกโอยวิญญาณอย่างกัน้นวิญญาณอย่างนี้พูดก็แค่เอาแค่ศี่ห้าก่อนเถอะนะถือได้ไหมปฏิบัติได้ไหมปฏิบัติได้เนี่ยวิญญาณก็ จะสัมมาทิที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน่าจะรู้สัจธรรมเนี่ยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นๆอย่างต่างๆก็จะเข้าใจตามขึ้นมาเองเพราะว่าปัญญามันจะที่รู้ความเป็นจริงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่าพูดมาถึงตรงนี้แล้วอมีไหมใครฟังฟังมาแล้วหรือว่ายังงงๆอยู่ <laughs> ใช่ใช่สิใช่สิ ที่บางทีบอกว่าอุปสัมบันหรืออนุปสัมบันนะพวกที่แต่เขาไปเอาง่ายๆเขาเอาอะไรนะอุปสมบันก็คือพวกภิกษุอะไรนะภิกษุณีสสมมาเนนอะไรพวกนักบวชผัวอนุอนุปสมบันก็คือพวกคารวะไปเลยไม่ใช่อันนี้พ่อท่านก็พูดถูกต้องพ่อท่านพูดชัดเจนเลยอย๊ไปตัดรอบอย่างนั้นได้ยังไงอันนั้นตัดรอบได้แต่สมมุติเท่านั้นเอง แต่ไม่ใช่ตัดรอบตามสัจจะถ้าตัดรอบตามสัจจะมันเกี่ยวที่ไหนเราอ่าเพราะต่อให้มาบวชเป็นนักบวชเป็นปุถุชนก็ได้นักบวชน่ะเป็นปุถุชนก็ได้ไม่ได้เป็นพระอายาิยะไม่มีสมาธิถิเลยก็ได้ต่อให้คุณมีรูปแบบของนักบวชก็เหอะใช่ไหมล่ะแล้วอย่างนั้นเรอจะไปเรียกว่าเป็นอุปสมบันเรียกไม่ได้หรอกตรงข้ามเลยเขาเป็นฆวาสเนี่ย โอ้โหนะอยู่บ้านมีอาชีพมีการงานมีอะไรอ่าแต่เขามีศีลห้าเามีศีลแปดเขาอะไรปฏิบัติโ ho คนนี้เป็นอริยะบุคคลน่ะเขาไม่ได้โกนหัวไม่ได้นุ่งจีบอนี่แหละแต่เขาเป็นอริยะบุคคลอย่างเงี้ยเป็นอุปสัมบันิน่ะไม่ใช่อนุปสัมบันิคุยกันรู้เรื่องคุยกันเข้าใจเลยประเภทนี้แต่ต่อให้มาบวชเป็นภิกษุแล้วได้แต่เปลือกได้แต่รูปภายนอก แต่ยังเป็นปุถุชนอยู่คิดกับคิดอย่างปุถุชนทําอะไรก็ทําแบบปุถุชนมาฟังทำไม่รู้เรื่อง <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วมีไม่ใช่น้อยนะจริงๆแม้แต่ในสมัยผู้เจ้าเนี่ยภิกษุที่เป็นปุถุชนก็มีอยู่มากบางทีพอฟังผู้เจ้างงเทศอย่างนั้นเทศอย่างนี้นะบางบางคนก็เออค่อยบรรลุขึ้นมาหรือบางคนก็เนี่ยที่บอกว่ า, าได้เป็นโสดาบันอย่างเงี้ย ก็แสดงว่าปุ้ทุชนมาก่อนใช่ไหมฟังทำแล้วถึงจะเออเอๆๆค่อยปฏิบัติแล้วค่อยเข้าใจขึ้นมาถึงได้เป็นโสดาบันขึ้นมาเนี่ยชัดเจนเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันไปตัดรอบแค่ไอ้รูปสมมุติอย่างเดียวไม่ได้มันต้องตัดรอบตามเขาเรียกว่าปารมัทสัจจะคือตัดรอบตามความเป็นจริงของผู้ที่ปฏิบัติได้หรือว่ามีบุญบา ร, รมีที่สะสมมาได้ขนาดนี้ขนาดนี้ ต้องตัดรอบตรงนั้นถ้าจะตัดลอกความเป็นปุถุชนนี่ก็คือว่ายัางไม่มีสมาธิถิโดยซ้ําไปถือว่าเป็นปุถุชนยังหลงอยู่มากเลยหลงหัวเป็นท้ายหลงท้ายเป็นหัวอะไรต่ออะไรแต่ถ้าเป็นกัลยาณชนขึ้นมากัลยาณชนนี่ดีกว่าปุถุชนใช่มเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจตามทั่วๆไปเนี่ยอย่างเช่น หน้าที่พลเมืองดีกฎหมายบ้านเมืองอะไรที่ที่เขาใช้มาในทางที่ดีเนี่ยนะเอเ อ, เ อ, เอชักรู้ชักเข้าใจทั่วๆไปกว้างๆขนาดนี้เออแยกดีแยกชั่วได้ขนาดนึงตามที่ชาวบ้านอยู่กันโดยปกติ อ, อย่างนี้เป็นกตัญญูชนขึ้นมาแต่ถ้าจะเข้าขายอาริยชนเป็นพระโสดาบันขึ้นมา ถนะ้เข้าขายโซดาบัลขึ้นมาการยาจะชนนั้นนะ่ยจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นชัดเจนไม่ใช่ชัดแค่แค่เป็นพลเมืองดีของประเทศหรือว่าเป็นพลเมืองดีของโลกนี้เท่านั้นไม่ใช่แต่จะต้องมีสัมมาทิฏฐิ ท, ท, ที่รู้เรื่องกิเลสและดีชั่วนะในในเรื่องของโอ้โหนี่กิเลสเรานี่นะจะต้องมีความเข้าใจ ชัดเจนอันนี้ขึ้นมาไม่ใช่แค่เราสูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายนี่กินเหล้าก็ก็รัฐบาลก็อนุมัติอนุญาตอยู่แล้วอะใช่ไหมเขาถือว่าเป็นคนดีในสังคมอะ่ะได้ถูกไหมเ่าถ้ า, ถ, าถ้าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดหน้าที่พลเมืองดีอะไรนี่อแต่ถ้ามาพูดถึงเรื่องศีลแค่ศีลห้าเนี่ยแหละอ่ะผิดทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าจะเป็นอริยชนขึ้นมาจะต้องมีสัมมาทิฏฐิตัวเนี้ยเกิดขึ้นแล้วชัดเจนว่าเอ้ยอย่างนั้นนะมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดศีลธรรมหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งจําเป็นอะไรของชีวิตเลยเนี่ยจะกินเหล้าจะสูบบุหรี่ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรเลยอ่ะนี่ยกตัวอย่างห ย, ยาบๆนะเอเออบายังมุกพวกเนี่ยไม่จําเป็นเลยเนี่ยจะต้องไปเล่นการพานันเออ นะจะต้องไปเที่ยวผู้หญิงผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่โอ้ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรจะต้องไปทำอย่างนั้นเลยอยากจะมีครอบครัวก็เอา้าแต่งงานแต่งกาไปที่มีครอบครัวไปใช่ไมไม่ไม่ไม่ไม่ไมิจฉาทเถียมีกิเลสมีกามอยู่มีได้นะฐานโสดาบัลก็ยังมีกิเลสกามอยูอ่แต่เห็นไมไม่ได้ไปแบบ ซ้ำซอนไม่ได้ไปเป็นช่้อะไรกับใครเขาแหละรู้จักควบคุมกามักิเลสของตัวเองนี่ถึงจะเป็นอริยชนขึ้นมาแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่างนี้ น, นี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยเข้าใจเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยปุจฌนกลยาชนอริยชนขึ้นมาได้โอ้กูจะยิ่งเขานี้รู้เลย บางเรื่องนะไปสังเกตดูตัวเราเองบางเรื่องเออรู้สึกว่าเป็นอริยชนแล้แต่บางเรื่องระวังให้ดีเถอะยังปู่ทุชนอยู่หรือเปล่าบางเรื่องเนี่ยไปสารวจดูแต่ละคนไปสารวจดูว่าบางคนจริงๆเลยนะเนี่ยเ น, น, นมาฟังเทศฟังธรรมมาลองปฏิบัติแบบของสายโศกมีบางคนเนี่ย อบัยามุกยังยังมีอยู่เลยอ่ะอุตส่าห์มาฟังเทศฟังธรรมมาเป็นหลายปีแล้วยังยังติดอบัยามุกอยู่เลยอบัยามุกเนี่ยถือว่าเป็นด่านแรกแล้วเป็นด่านที่หยาบถ้าใครอยากจะขึ้นมาเป็นอริยชนเนี่ยจะต้องพยายามเลิอกอบัยยมุกให้ได้ถึงถึงจะเข้าข่าย น, นก็คือศีลห้านี่แหละเอาเข้าไปเลยเราต้องทาให้ได้จริงๆนะ อย่าอย่าเอารูปแบบอีกแลนะถ้าเอาแต่รูปแบบมันพูดก็ไม่จบอ ะ, อะบางคนนี่ได้ตามไอเหมือนข้าราชการน่ยพอทํางานไปเดี๋ยวทํางานไม่มีความผิดอะไรนี่น ะ, ะปีนี้ทําไปแล้วอะไรนะได้เลื่อนขั้น เ, เงินเดือนเอนี่ยไม่ไม่มีอะไรเลยก็อย่างน้อยหนึ่งขั้นใช่ไหมก็ได้เลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้น มีความดีความชอบก็เลื่อนให้2อขั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะปฏิบัติธรรมไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าเป็นตามสัจจะเป็นตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ใช่เลื่อนฐานแบบแบบที่เราเลื่อนๆ น, นะอย่างเช่นเป็นปะสีเดือนเป็นนาคอีกสีเดือนเป็นสามเณรอีกสีเดือนแล้วก็ถ้าไอ้นั่นก็เป็นสมณะไม่ใช่นะไอ้ตามขั้นอย่างงั้นบางที ก็บอกแล้วว่าขนาดยุคพระชวเจ้าขเขาก็ผ่านจนกระทั่งมาบวชเป็นพระได้เหมือนกันแหละแต่พระผู้ดุชนก็มีนะเขบอกแล้วว่ามันต้องทำให้ได้จริงๆบางคนเนี่ยเลื่อนถานมาเรื่อยนะไอตอนเป็นปะเป็นนาคเป็นอะไรมันก็เลื่อนมาเรื่อยเลื่อนมาเรื่อยครบเสร็จไม่ได้ไปทำเสียหายอะไรนี่ใช่ไหมเราก็ระมัดระวังตัวไม่ให้มันไปเสียหายอะไรป่วยง่ายว่า อะไรอ่ะรอดปากเกลียวปากกามาดีเสร็จแล้วก็เลยบวชผ่านมาเรื่อยผ่านมาเรื่อยมกีก็ไม่ต้องอื่นไกลไม่ต้องพูดที่อื่นอะอโศกเราก็มีอ่ะแล้วก็ผ่านมาเรื่อยผ่านมาเรื่อยผ่านมาเรื่อยก็เราดูแล้วเขาก็ไม่เสียหายอะไรจริงจอ่ะนะไอ้จะไปกักเขาไว้ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมครับเขาก็ไม่ได้ทาเสียอะไรแต่ว่าไอ้กิเลสที่มีอยู่ของทีใครจะไปรู้อ่ะเขามีอะไรอยู่บ้างเขาไม่พูดเขาไม่บอกเขาไม่ไป คืออดทนอดการไม่ไงเพราะว่ากําลังตายอันดับนะ <c oughs> ก็แหมพยายามอดทนอดการอดทนอดการไออันนี้มันก็มีพลังในการที่ทําให้อดทนอดการได้แต่มันแบบมันเก็บกฎนะคือถึงบอกว่าถ้ามันไม่ได้ตามเป็นจริงเนี่ยแค่ศีลห้านี่นะคุณไม่ได้ตามจริงนะแต่เดี๋ยวบางทีโออายุมากแล้วนะอย่าอยู่แค่นี้เลยเอาเอาเอ า, เ อ, า, เ อ, าอนุมัติผ่าน เพราะบางคนเนี่ยแค่ศีลห้าเนี่ยสอบไม่ผ่านแต่บวชเป็นพระไดะ้ใช่ไหมบางคนสอบไม่ผ่านหมายถึงต้องเอาตามจริงนะเพราะอ ย, าอย่างของเราเนี่ยเราถึงไม่เอาเล่นๆของเราถึงบอกว่าต้องมีการตรวจศีลศีลข้อหนึ่งถามใจตัวเองเลยว่าปฏิบัติได้บริสุทธิ์บริบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วให้คําตอบตัวเองได้ไหมศีลข้อ2คุณบริสุทธิ์บริบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว คุณได้ฐานไหนใน 4, 4ีฐานเนี่ยที่พอท่านแบ่งเอาไว้4ขั้นมีอะไรบ้างเอาหนึ่งอย่างน้อยต้องทําได้กี่เปอร์เซนต์เบื้องต้นเอออย่างน้อยต้องทําให้ได้ 25% นะในในสี่หข้อเนี่ยสมมุตินะในศี่หข้อเนี่ยต้องทําให้ได้อย่างน้อยต้อง 25% นะในศี่แต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อคุณต้องทําให้ผ่านให้ได้ 25% ถ้าคุณคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วนี่แล้วคุณก็ลงมือใช่ไหมเอาสิ่ข้อที่หนึ่งพยายามสู้นะพยายามไม่เบียดเบียนพยายามไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตเอาสิ่ข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าคุณทําแล้วปรากฏว่าสมมติสี่ทั้งห้าข้อนี้เลยนะคุณทําปรากฏว่าคะแนนที่คุณตรวจสอบตัวเองออกมาโอ้โหทั้งห้าข้อนี้เลยได้อย่างละ25้าคะแนน25คะแนนเต็มร้อยเต็มร้อ ได้25คะแนนี้คะแนนี่น้อ่าอันนี้ถือว่าคุณสอบได้ขนาดไหนละโสดาในโสดาโสดาบันในโสดาบันคุณทำได้อยังเคยเคยไปถามตัวเองไหมอ่าตอ น, นี้ในห้าข้อคุณสำรวจตัวเองเลยสิลทุกข้อเนี่ยคุณทำได้ถึงห0ไหม ถ้าคุณทําได้ถึงห้าอร์ซในทุกห้าข้ออย่างน้อยๆคุณได้เท่าไหร่ละฐานสกิทาคามีในโซดาบันเออคุณทําได้ยังต้องถามจริงๆต้องตรวจตัวเองจริงๆคุณไม่เคยมาตรวจสอบคุณไม่เคยมาพิจารณาบอกว่าถึงกำหนดไม่ได้ทําชั่วไม่ได้ทําเร็วอะไรนี่เพราะฉะนั้นถือว่าผ่านออทั้งทั้งที่บางทีเนี่ย อาจจะไปทําผิดๆผ้าพายก็ได้นะแต่ตัวเองจําได้บางจําไม่ได้บางไม่รู้ตัวมัง่งเพราะไม่เคยตรวจอะแต่นึกเอาเองว่าพานพานเราไม่เดียไปทําชั่วเลวอะไรที่ไหนบางทีนี่ด่าว่าคนอื่นเข้าไปไม่ได้ดา่าสอนเข้าสอนท <c oughs> ีไม่รู้หรอกเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตรวจอ่ะคนนี้ในศีลห้ามตรวจเข้าไปอีกคนนี้เป็นไงโอ้โห เนอเๆเลยอย่างให้น้อยได้ทุกข้อเลยนะผ่าน75็เ์เน่ะเป็นอะไรล่ะครนี้เป็นอนาคามีในโซดาบันนี่แหละฟังให้ดีนะเป็นอนาคามีในโสดาบันเจอกระทั่งโอ้โหทุกข้อเลยในศีลห้าข้อคุณทำได้เป็นปกติไม่มีแม้เสศษเสียวของจิตที่คุณเนี่ยจะไปผิดในศีลห้านี่ ไม่มีเลยยกเว้นว่าบา ง, บางเอิญมันไม่เจตนาอะไรนะไอ้ น, นั่นไอ้นั่นไม่ใช่นะอันนี้เราพูดถึงจิตจะต้องมีอกุศลมีความไม่ดีอยู่แล้วก็ไปทำเนี่ยปรากฏว่าเศษอกุศลจิตอะไรที่ไม่ดีเนี่ยในใ น, ในฐานของสินห้าไม่มีเลยนะทำได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเต็มร้อยทุกข้อ ถ้าเกรดอย่างนี้เขาบอกว่าอะไรเกรดสี่หมดเลยใช่ไหมได้เกรดสี่เต็มหมดเลยทุกวิชาได้เกรดนิยมอ่าเป็นอะไรแล้วตอนี้เ อ, อ่เป็นพระอาหารหันต์ในโสดาบันเนี่ยชัดเลยแม้เนี่ยพอขึ้นไปศีลแปดศีลแปดนี่เริ่มเหยียบเข้าฐานอะไรแล้ะฐานสักกิทาคามีฐานใหญ่นะฐานสักกิทาคามีคุณก็อย่างเงี้ยคุณลองไปถามดูสิในศีลแปดข้อศีลข้อที่หนึ่งไปยังไง สอบได้อีกไหมสีกข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าเนี่ยทุกทุกข้อนี่คุณสอบได้อย่างน้อย 25% ้าไหมในแข้อถ้าคุณสอบได้25่้าปรนะรวมออกมาลวคุณสอบได้ 25% ค้าปรนาที่คุณเลิมเป็นไรละโซดาบันในสังกิษาคามีเคยเคยพูดข้าวให้ฟัง นะโดยโด ย, โดยที่เอาภาษาง่ายๆนะที่จะทำให้เราเข้าใจฐานของโสดาสิกิธาอนนาคาแล้วก็พระอรหันต์เอาง่ายๆโดยเอาระบบกรรมสามอะไรพวกเนี้เข้ามาจับนะคุณจะเข้าใจมากขึ้นเลยแต่ว่ามันไม่ได้ตายตัวอย่างงี้นะแต่ให้คุณลาลองที่คุณจะเข้าใจหยาบหยาบของโสดาบันเนี่ยที่คุณได้2 5นเนี่ยคุณเริ่ม กายกรรมคุณเนี่ยคุณเริ่มควบคุมได้ได้ดีขึ้นไม่ว่าจะฐานไหนจะฐานโสดาสกิธานาคาหรือขึ้นไปนู่นนะคุณคุณจะสามารถเริ่มฝึกควบคุมกายกรรมเนี่ยได้ได้ดีขึ้นวัตจีกรรมยังไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าไอ้กายกรรมหยาบหยาบเนี่ยคุณยังฝึกเพิ่งเริ่มฝึกได้เนี่ยไอ้วัตจีกรรมยังไม่ต้องไปพูดถึงเลย นาะยิ่งมโนกรรมยิ่งโอ้โหยากแต่อันนี้หมายถึงว่าเออเราเริ่มฝึกละกายกรรมเราก็มาจากมโนกรรมเหมือนกันนาะมันสามารถควบคุมได้ 25% เอนเงี้ยเออมันเริ่มเ อ, อ, เ อ, อบางทีพยาพยามพยาพยามพยายามอย่าให้มันไปอย่างนั้นอย่าให้มันไปอย่างนั้นคุณพยายามจนกระทั่งเนี่ยคุณทำได้จริงๆทำได้ 25% นะอาจจะแพ้มัง่งชนะมัง่งอะไรเงี้ยสมมติว่าในร้อยครั้งเงี้ย โอ้โหพยายามสู้พยายามสู้ชนะ25ครั้งไงโอ้โหแพ้ทั้ง75ครั้งไงแต่เนี่ยเนี่ยนยคุณเริ่มเข้าขายแล้ว ค, คุณเริ่มเข้าขายโซดาบันแล้วเจนกระทังง่งคราวนี้คุณก็ปฏิบัติอีกไงปฏิบัติอีกปฏิบัติอีกปฏิบัติอีกโอ้โหคราวนี้กายกรรมคุณก็ยิ่งชักชักไม่ค่อยผิดพลาดแล้วนะชักไม่ค่อยหลุดแล้วนะแต่ว่าจีกรรมนี่ยังยังพลาดอยู่เยอะเลย แต่ถึงอย่างเงี้ยคูจะเห็นเลยปรากฏว่าโอ้โหคราวนี้เนี่ยในร้อยครั้งชนะรวมทั้งห้าสิบครั้งเนี่ยแล้วพลาดไม่ใช่ไปพลาดกายกรรมแยบหยาบไปนะพลาดแค่พวกวจีกรรมนี่เท่านั้นเองเพราะว่ามันไวมันมันง่ายกว่าไงไอ้ปจีกรรมเนี่ยพอจิตมันคิปปุ๊บมันหลุดแล้วจิตมันคลิปปุบ๊บมันหลุดแ ล, ล้ว ห, หลุดจนกระทั่งเขาใช้สำนวนบอกว่า พูดอะไรให้คิดซะ ก, ก่อนไงให้คิดก่อนพูดใช่ไหมแต่จริงๆมันมันไม่ง่ายอะจริงๆครับทุกคนมันต้องคิดแล้วค่อยพูดเท่งนั้นแหละไม่มีใคระพูดแล้วไม่คิดอะพูดแล้วไม่คิดไม่มีหรอกเพราะว่ามันจะพูดอะไรออกไปได้มันสมองต้องสั่งมามันต้องคิดแล้วถึงพูดแต่มันจับสภาวะไม่เป็นไงจับจิตไม่ทัน มันถึงหลุดไปเป็นวจีกรรมแล้วโดยที่จับไอ้สมองสั่งนี่ไม่ทันแล้วจริงๆมันไม่ใช่สมองสั่งนะจิตมันสั่งสมองนี่ยังเป็นแค่อุปกรณ์หนึ่งของจิตตัวสมองนะเป็นอุปกรณ์หนึ่งของจิตอย่าแต่ว่าบางทีเราก็พูดง่ายๆแล้วก็บอกเออสมองมันสั่งการที่จริงสมองเป็นอวัยวะเท่านั้นเองไม่ใช่สั่งการสมองไม่ใช่สั่งการ แต่เป็นจิตสั่งการสมองนะเอาเสร็จตอนนี้พอปรากฏว่าคุณได้ดีขึ้นไปอีกคุณทําได้คราวนี้โอ้โหวัจีกรรมคุณก็ลดลงไปได้อีกไม่ค่อยหลุดจนะน่วาวัจีกรรมคุณไม่ค่อยหลุดลอ่ากลวกลุมได้ถ้าจะด่าก็ด่าอยู่ใจใจคุณไม่ด่าหลุดจะมาเป็นวัจีกรรมอ่ะเนี่ยมันคิดขึ้นมาแล้วนะมันด่าเขาแล้วนะในใจคุณด่าเขาแล้วนะแต่มันจับได้ไง่ แล้วมันก็ควบคุมไว้สามารถที่จะอืสอนมันเลยบังคับมันเลยเฮ้ยอย่าอย่าหลุดออกมาเป็นวัจีกรรมนี่นี่คุณแน่ขึ้นแล้วคุณเก่งขึ้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณก็สามารถโอ้โหนะควบคุมอารมณ์จิตของคุณได้นะอย่างเก่งเนี่ยเพ้อไผไปบ้างปล่อยมันด่าเขาใหญ่เลยในใจนะแม้ด่าไปตั้งชั่วโมงกว่าจะหูกว่าจะจับได้กว่าจะรู้ตัวกว่าจะอะไรหูด่าเขาไปตั้งเยอะ อ่อันนี้ถือว่าพังแล้วในจิตนะอันนี้ถือว่าแพ้แล้วอย่างเงี้ยแต่ก็ผิดพลาดอย่างนี้ไปบ้างแพ้อย่างนี้ไปบ้างยี่สิบห้าปอร์ซนไอ้ที่ควบคุมได้ชนะได้ตั้งเจ็ดนสะิบห้าเนี่ยคุณควบคุมได้คุณชนะได้ตั้งเจ็สิบ้าอร์ซนตะน่คุณคุณถึงนี่ละถึงอนาคามีแล้วเพราะนั้นลักษณะของอนาคามีจะเป็นลักษณะแบบนี้คือมันจะอยู่ในจิตควบคุมได้ อถ้าคุณพ้นอันนี้ไปได้ใช่ไหมเพราะว่าโวคุณทําได้จน75เปอร์เซ็แล้วคุณควบคุมมาได้ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นถัดจากนี้ขึ้นไปโอ้สบายแล้วละ่ะนะคุณได้สัก80คุณได้สัก90นะคุณได้ไปเต็มร้อยคุณก็เป็นพระอรหันต์เลยคนนี้พระอรหันต์หมายถึงว่าเราสามารถควบคุมได้เด็ด ขาดเลยชนิดที่เรียกว่าจิตอกุศลจิตเลว้ล่นะที่มันจะเกิดมาแม้ในความคิดเนี่ยไม่มีใครที่ยังแบบว่ายังมีคิดเร็วๆคิดอะไรขึ้นมาแล้วคุณจับได้ทันแล้วคุณก็ควบคุมคุณก็สอดมันอยู่ใจใจอยู่อยู่ในฐานอนาคามีนะเนี่ยถ้ า, าใครเข้าใจสภาวะพวกนี้ได้คุณปฏิบททัติธรรมกูจะโอ้โหเข้าใจอะไรได้อีกเยอะเลย จะรู้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้มันอยู่ฐานไหนฐานไหนที่เรากําลังต่อสู้อยู่คุณยังบางทีโอ้โหเห็นก๋วยเตี๋ยวอร่อยเห็นไอศคีมอร่อยโอยอดใจไม่ไหวนะไปเอามากินเนี่ยยังกายกรรมยังหลุดออกไปเลยคุณรู้เหรอโอ้โหนี่มันยังเบื้องต้นอยู่นะยังเบื้องต้นอยู่นะนี่โอ้โหยังควบคุมกายกรรมไม่อยู่เลยให้รู้เอาไว้ใช่ไหมแต่พอคราวนี้ แมมเริ่มเก่งขึ้นควบคุมกายกรรมได้แต่ยังอดใจไม่ได้นะโออิจกิมเจ้านั่นเขาอร่อยดีนะ <c oughs> ยังเสพทั้งทางพูดอยู่นะอ้ะอาวจริงๆเลยบางคนเนี่ยอดใจได้แล้วนะตัวเองไม่กินเองนะตัวเองไม่กินเองแต่ให้ตังเขาเอาไปซื้อกินนะไปซื้อกิน <c oughs> ย, ยังให้ตังเขาไปซื้อกินอีกเนะี่ยคือคือให้เขาไปซื้อมากินเนี่ยเขา กินเราเห็นแล้วมีความสุขนะโอ้แหมก็ได้กินออเอออะไรอร่อยดีม <c oughs> ันยังเสพอยู่เลยคุณคิดดูเอาก็แล้วกันนั่นแหละเนี่ยปฏิบัติทำไปถ้าใครเนี่ยปฏิบัติแล้วค่อยๆจับสภาวะจิตของตัวเองเข้าใจได้มากขึ้นมากขึ้นโอ้โหคุณปฏิบัติทำแล้วสนุกสนุกมากเลยแล้วจะรู้ทุกขั้นตอนของตัวเองเลย วันศาสนาพุทธเนี่ยพุทธเจ้าถึงบอกไม่ต้องมีใครมาบอกเราว่าเราจะบรรลุธรรมหรือยังเราจะบรรลุเมื่ อ, อไหร่หรืออะไรไม่ต้องมีใครมาบอกเจ้าตัวเองจะรู้ดีว่าตัวเองบรรลุไหมถ้าปฏิบัติมาอย่างชัดเจนนะอย่างถูกต้องเนี่ยจะรู้เลยว่ากูยังมีกิเลสอีกมากหรือว่าน้อยแค่ไหนยกเว้นพวกเดียวเท่านะพวกคนหลงหลงว่าตัวเองได้ อันนั้นอันนั้นยกไว้หลงจริงจริงจริงจริงยังไม่ได้แต่หลงว่าได้อีกพวกหนึ่งก็คือพวกบ้านะอันนั้นก็ยกไว้บ้าแล้วไม่ต้องไปพูดถึงเนา ะ, ะวันนี้ฝากอันนี้ไว้ให้พวกเรานะจริงๆเรื่องนี้นี่น่ามาพูดบันพุทธเนอะเนาะเราคุยเรื่องศีเรื่องอะไรอืมอ่ะวันนี้ของบอเท่านี้โอ้เด็กเก้าแล้ว